บุกทูย um ี่ส um ิบหกเสตินวตธรรมชาติวนาราวิคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับคุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับ ว i ดิชทัม go โรคุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับ v วิดิ h ทัม was คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับ v วิดิ h ทัมริคอคุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับ v วิดิ h ทัม mos ต คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับ Vidish tam e z e r o ผมชอบนกตัวนั้น Tistip t c h tam m i e e s c h ผมชอบต้นไม้ต้นนั้น Drevo tam m i e e c h ผมชอบก้อนหินก้อนนี้ Ta ท, ทุกข i ใจมิโอชผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นท a าพาร์ u มิโอชผมชอบสวนนั้นท่ว m i ์ดมิ c h ผมชอบดอกไม้นี้ te รู้จักทุก s ์ใิ ch ผมว่านั่นมันสวยโทเสมิสดีลิบคอผมว่านั่นมันน่าสนใจโทเสมิสดีจานิมีฟอผมว่านั่นมันงดงามโทเสมิสดีเพเรเลโผมว่านั่นมันน่าเกลียดโทเสมิสดีกรดอ ผมว่านั่นมันน่าเบื่อผมว่านั่นมันแย่